ขอให้ยานจมจงเ จ, จริญสติสร้างความบริสิ์รู้สัมผัสของลมหายใจเขาอขอกตรงตัว เ, เองให้ต่อหนึ่งกันตะพักรีย์หนึ่งเสัยก่อนเด็การเจริญอานาปา่นานสตินั่งตามสบายที่สุดอย่าไปเกรงลำไกยนั่งให้สวยงามสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ ก, การสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้น ความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจ ม, มูกของเราก็จะเด่นชัดเราจะไปเกร็งเราจะไปเพ่งเราจะไปจดจ่อให้เพียงแค่มีความรู้สึกรับรู้เวลาลมกระทบปลายจมูกเข้าก็รับรู้ว่ามีลมหายใจเข้าอยู่แล้วก็ลมหายใจออกกระทบปลายจมูกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่เรามีความรับรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจ ม, มูกของเราก็พอไม่ต้องตามลมลงเข้าไปในท้องก็ได้ พยายามฝึกให้เกิดความเคยชินมีความบริสมีความรู้สึกรับรู้แล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอเรารู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามกระตุ้นความบริสุทธิ์กิการหายใจเข้าออกของเราปับ๊บติความรู้ตัวก็จะตั้งมั่นขึ้นแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องนิวรณ์จิของเราอ่อนหรือว่าพังเผยก็จะหายไป นิวรณ์ความเจ็ดคลานก็จะหายไปตั้งแต่ลุกจากที่เลยทีเดียวขณะจะลุกจะก้าวจะเดินเราก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่การเดินอยู่ที่หลมหายใจอันนี้เป็นการสร้างความรู้ตัวให้ตโตนึงถ้าเรารู้จิตรู้ลักษณะของจิตรู้ลักษณะของความปกติเราก็รู้จิตเลยก็ได้เวลาเราตื่นขึ้นมาปุ๊บจิตของเราสงบดีอยู่หรือไม่จิตของเราปกติไหมหรือว่าจิตของเราคิดเรื่องอะไร อะไรคือความรู้ตัวอะไรคือตัวจิตอะไรคืออาการความคิดเราต้องศึกษาให้ละเอียดถ้าเราไม่ศึกษาให้ละเอียดเราจะไม่เข้าใจเลยในสิ่งพวกนี้เราจะเข้าใจเมื่อเราคิดแล้วเราก็ทำตามความคิดทำตามอารมณ์เราก็รู้อยู่ระดับของสมมติเท่านั้นเองทุกคนก็มีบุญจิตก็เป็นบุญเป็นผู้สนกันทุกคนถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พักฝ่ในบุญกัดอยู่ตลอดเวลาหมั่นทาบุญหมั่นให้ทาน มันจเจริญรักษาสินแต่การจเจริญสติการจเจริญภาวนาอาจจะทําบ้างกระท่อนกระแท่นเล็กๆ น, น้อยๆไม่ทําให้โตเนื่องกันก็เลยเข้าไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงคือความสะอาดความสว่างของจิตใจถ้าเรามีความสนใจจริงๆมันก็ไม่เหลือวิสัยเพราะจิตของทุกคนนั้นสะอาดบริสุทธิ์สิ่งพวกนี้เราจะไปบังคับกันไม่ได้เลยเพราะว่า เป็นอณิสงค์ของแต่ละบุคคลที่จะสร้างที่จะทําที่จะชําระสะสารกิเลสของตัวเรากิเลสก็อยู่ที่เราอะไรก็อยู่ที่เราเราพยายามทําให้ดีที่สุดทํากายให้เป็นบุญรําวาจาให้เป็นบุตรทาใจให้เป็นบุญทํากายให้เป็นวัดทําจิตให้เป็นพร ะ, จะเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระยมไปป้อยสารวจจิตของเราว่าจิตของเรามีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มีความสว่างหรือ ว, ว่าจิตของเรามีความกังวลมีความพุ่งสัาน เรารู้จักดับรู้จักละชำระสะสารกิเลสออกจากกิจจเกศของเราได้ระดับไหนเราก็ต้องหัดเป็นคนวิเคราะห์ตัวเราเองเราจะไปไหนมาไหนเราก็าวิเคราะห์ภายในของเราให้ถึงจุดหมายปลายทางเชื้อกมันชำระสะสารกิเลสออกจากกิจจเกศของเราให้ได้เชื้อกไม่ใช่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้จักว่าอะไรคือธรรมปฏิบัติอย่างไรการเจริญสติการสร้างความระลึกรู้ที่ต่อเนื่อง ก็เพื่อที่จะรู้ให้เท่าทันจิตถ้าเรารู้เท่าทันจิตเราก็รู้จะควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ต่อไปหน้าก็คลายจิตออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามเราก็จะคลายความหลงสัมมาทิฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้มองเห็นทางทีนี้เราก็จะทําความเข้าใจได้ทะลุผุปร่งเราจะชําระสัตว์ังกิเลตได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเราขอให้เราเดินให้รู้จุดปล่อยจุดวางแค่กว่า ให้แยกรูปแยกนามให้ได้เชโก่อนอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาอะไรคือรูปอะไรคือนามลักษณะของนามธรรมาอาการของความคิดอาการมันเป็นอย่างไรส่วนรูปธรรมก็ร่างกายของเรานี่แหละก่อนรูปตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งส่งเข้าไปถึงดวงจิตหรือว่าวิญญาณของเราเราพออยายามหัดวิเคราะห์เขาทําหน้าที่อย่างไรสักวันหนึ่งเราก็คงจะเข้าใจ ถ้าหมั่นสำรวจตรวจตาดูตัวเองรู้อะไรไม่เท่ารู้เท่าทันจิตของเราเนี่ยดีที่สดุดรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันสมมุติรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์รอบรู้ในกองสังขารตัวเองสติปัญญาของเราก็จะโล่นออกไปรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละขอให้เรารู้ภายในให้ได้เสียก่แต่เวลานี้จิตของเราอยังหลงยังเกิดอย่งวิ่งอยู่เราก็ต้องพยายามมันสร้างคุณงามความดี